การตังเกตเป็นอุบายอันหนึ่งึงนักตังทั้งหลายจะ <c oughs> ต้องกาหนดหลักจำพอเป็นการศึกษาทางด้านจิต ด, ด้านใจอันหนึง่งทุกคนที่เกิดขึ้นมา จะต้องอาศัยการกระดับรับฟังจากคนอื่นถึงจะรู้ค่อยคำภาษาในว่าทางโรกทางทํายอมอาศัยการได้ยินได้ฟังเพีย ก, ก่อนเหตดนั้นการฟังเืตดก็เป็นการศึกษาหานะความรู้เพื่อให้จิตใจของตนสงบร้างับ จากอารมณ์ต่างๆการกำหนดจุดกำหนดใจฟังเป็นที่ตั้งของสติปัญญาอันหนึ่งแ่นจริงว่าสุดสุดสังนและเกษตรปัญญาผูกฟังด้วยดียอมได้ปัญญาการฟังทำทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเคยได้ยินได้ฟังมาแต่เท่าว่าความตั้งใจฟัง ที่จะเกิดปัญญานั้นต้องอาศัยความสงบของจิตเสียก่อนจิตถ้าหากไม่สงบจะนึกคิดไปส่วนใดย่อมไม่แจ่มสเหมือนกันกับเราวิ่นจะมองดูสิ่งต่างๆย่อมไม่เห็นถนะถ้าเราหยุดนิ่งจ้องตาดูจริงจงัสิ่งนั้นย่อมเห็นถนัดขึ้น จิตใจของเราทุกท่านทุกคนก็เหมือนกันท่านจึงเข้าอบรมจิตใจให้สงบเสียก่อนจึงเป็นที่ตั้งของปัญญาได้เพราะใจสงบเป็นรากฐานสาคัญเกิดนั้นพวกเราทุกท่านจึงควรสงบใจไว้ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งเมื่อการอบรมด้วยการฟังเทศฟังธรรม แน่ว่าเราจะไม่ส่งกระแสจิตแมานิกคิดกับท่านผู้แนะผู้สอนก่อตามเราตั้งใจอยู่ในอารมณ์ของเราเช่นพุทโธธรรมโมสังโฆหรือแต่ที่ิีิทุจราเอาอวัยวะต่างกายทั่วไป ก, กด็ดีใจจิตติดตามหรือแมกคิดอยู่ในสิ่งนั้นาการแสดงธรรม ทุกท้อยทุกคำเมื่อเราตั้งใจว่าอย่างนั้นจะเข้าไปสู่ประสาทหูของเราเข้าไปซึ่งใจให้ได้ยินแ่นใสและพิมิตจารยนาในคำที่ท่านพูดออกไปว่ามีเหตุผลดีช่วยอย่างไรจารย์นาแสนใสเข้าใจจริงจังในตนแล้วลงมือปฏิบัติตาม นี่เป็นทางให้รเกิดปัญญาในการประดับจักฟังขันตาว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้มีสามทางคือทางหนึ่งสุตตะมยาปัญญาได้เกิปัญญาเกิดจากการได้ศึกษาเราเรียนด้การได้ยินได้ฟังแล้วนำไปที่นิสิตเจรนาดูรูเหตุรูรผล ในคำที่ท่านแนะนำและสั่งสอนไปทำให้ผู้ได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาขึ้นแก้ไขสิ่งที่ชั่วของตัวออกได้าบาเพ็ญสิ่งที่ดีให้เกิดให้มีขึ้นในกายในใจของตนข้อที่สองยินตามายาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการ น, นึกคิด ธ, ธรรมดาการ น, นึกคิด เป็นทางที่จะให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าของเราจะออกที่เนือสิกรมคือออกบรรเทยตาก็อาศัยตารนึกคิดเป็นเรียงต้นนใสได้ยินได้ฟังนึกคิดติดตามเรื่องสี่ตนได้เห็นได้ยินหรือเร่ยงจิตลวงแต่งต่างๆแต่ว่าเรียนธรรมชาต ที่อยู่กว่าดัการนึกคิเป็นบ่อเกิดของปัญญาเบื้องต้นเหมือนกันเกิดนั้นท่านพิจาราเป็นทางให้เกิดปัญญาทางนึกคิดไปในทางที่ผิดจะย่อมเกิดนิสชาทิ่ผิเกิดความเป็นผิดต่างๆนานาไปความจิตใจให้ตัองหารในทางชั่วอาหากนึกคิด ไปในทางที่ดีเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นทางที่ชอบความคิดความเห็นที่ตนคิดไปก็ะเกิดความสว่างสวัยเกิดความเจ้าสามารที่จะทําความดีให้เจ้าดีคูณขึ้นไปการนึกคิดเป็นทางที่ให้เกิดปัญญาจะนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ทั้งสองอย่าง ทังสุตตามายาปัญญาจินตามายาปัญญาเป็นปัญญาที่ตับสู้ภาวนาไมายาปัญญาไม่ได้ภาวนาไมยาปัญญาหมายถึงความกำหนดเกิดจอต่ออารมณ์อันใดอันหนึ่งใจจิตของตนเข้าไปสงบระงับยุดที่เข้าไปสงบระงับดับความปรุงแต่งของใจ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 ในระยะที่จิตของเราพอไปสงบระงับเป็นสิ่งที่แน่นอนเกี่ยตือได้ดังจึงว่าภาวเนาเมยปัญญาเป็นปัญญาขั้นสูงบุคคลที่ทาําจิตของตนให้สงบระงับในการภาวนาเป็นของสำคัญทำจิตทำใจของ คนผู้กระทำมัมเห็นในเกิดเนสิ่ง lawn, ที่ถูกต้องเห็นสามารถละสิ่งที่ผิดที่ผิตเคยยึดถือได้การภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราทุกท่านควรอบรมให้เกิดในนี้ขึ้นเพราะภาวนาเป็นทางที่เกิดสติเป็นทางที่เกิดปัญญาสามารถ ละถอนความชั่วบนเท็ญความดีให้ทวีคูณขึ้นการภาวนาเมื่อหากจิตสงบระงับจิงจังเห็นขนกระจักในตนคือความสว่างสวัยหรือความขุดขึ้นของใจเราจะได้ยินได้ฟังคำทำต่างสอนของพระพุทธเจ้าด้วยตนเองไม่ต้องไปอาศัยฟังจากคนอื่นเพราะ ความรู้ที่จิตใจสงบร ง, งับได้นั้นจะขุดธรรมะขึ้นทำที่ขุดขึ้นจากจิตใจเราได้ยินเดือดตนเองขนาดชัดเจนและเป็นการฟั้งทำเดือดตนเองไม่ต้องอาศัยบุคคลผู้อื่นโดยการเชื่อของเราที่จิตใจสงบระงับและมีธรรม เกิด ข, ข, ขึ้นจากดวงจิตของตนเองเชื่อแน่นอนจริงจังลงไปจนเป็นอัจาระศรัทธาคือศรัทธาที่แน่นแฟ้นไม่งอนเงียนเป็นศรัทธาที่ถอนไม่ขึ้นอย่างลงลึกใารจะมาว่าอย่างไรย่อมไม่หวั่นไหวเพราะใจของเราเคยได้อบรม เคยได้ฝึกฝนเคยได้ใจงบเคยได้ส ง, งับความเชื่อชนิดนั้นแหละทา่เรียกว่าอาจารยะสรัทธาเป็นสัทธาที่แจ้วว่าสามารถมายอมเชื่อบุคคลผู้ใดใายผู้หนึ่งนอกจากผู้สีรู้ที่เห็นที่เป็นอย่างเดียวกันพาหากคนจะอ้างสำหรับตำราหรือนำ ทำมาจากคนอื่นมาพูดย่อมไม่เข้าถึงจิตใจชนิดนั้นเกิดนั้ น, น, นปัญญาเกิดจากการภาวนาจึงเป็นปัญญาที่แน่นอนเป็นปัญญาที่สามารถถอดถอนเรื่องกิเลสปัญหามานาทิฏฐิเป็นปัญญาที่สามาร ถ, ถรรตัดหาดตัหานกิเลสปั ญ, ญาาาห า, ยหาอยู่ในกายในใจของตนออกได้ผู้ที่ภาวนาเข้าไปถึงขัน้น ใจสงบลรงะท่านทำขุดขึ้นจากจิตจากใจจะไปอยู่ในสถานที่ใดแมาจะห่งางไกลจากครูบาอาจารย์ห่งไจจากตำหรับตำลารือหมูคณนะก็ฟังคำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกการทุกเวลามีเสนะคือพระพุทธพระธรรมเป็นจี่ที่พิงอิงอาศัยไม่ได้อยู่เดีย ว, เ ด, ย ว, เ, ดยวเดียวตัว อยู่แต่ฐานที่ใดเห็นอะไรชนิดที่จรณาเป็นธรรมะไปทางนั้นไม่มีวันมีคืนยืนเดินนังงน่งนอนสนุกฟังธรรมคำสัำ่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดกาลเกิด น, นั้นเราฟังธรรมคำสัำ่งสอนของพระพุทธเจ้าจากคนอื่นจากครูบาอาจารย์หรือจะอ่านําหรับตาราก็เป็นธรรมคำสัำ่งสอนของครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ แต่ถ้าว่าจิตใจของเราจะเชื่อแน่ลงไปหรือจะอยังเข้าเป็นอัอจฉราาิยะทาอันแน่นอนยังเป็นไปไม่ได้ต่อเมื่อใดเราอบรมจิตอบรมใจของเราให้ยังเข้าถึงความสงบทำที่ปดขึ้นจากตนของตนเองได้ยินได้ฟังขนาดชัดเจนและจิตที่เคยเพ่นท่านเคยคิดอ่านหรือทรงแต่งต่างๆ พอใจส ง, งบระ ง, งับเป็นเอจเทศไม่มีอารมสัญญาอะไรที่ได้ผ่านในความส ง, งบอันนั้นความอาศัศจรรย์ความแปลกประหลาดความรู้ที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นมาแต่เต่ก่อนเกิดขึ้นเราจรึงเชื่อ เรื่องของความความสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของแน่นอนเป็นของชัดเจนเราบำเพ็ญขนาดนี้ก็ยังเห็นความดีวิเศษประเสริฐขนาดนี้ความห่วงยุ่งเหยิงกับเรื่องของตายไม่มีตายจะมีอยู่แต่เท่าท่จิตไม่ได้เขียวข้องจิตสงบระงับดับนิวร์ลงไปอย่างนั้น อาตัดกิริยาที่เรานั่งจะนั่งอยู่ด้วยวิธีพับเทียบหรือจะนั่งพัดเท้าหมหรือจะนั่งอย่างไรก็ตามเรือทานาเรือามเจ็บปวดของตายจะไม่มีในจิตในใจดับหายไปเส้งหมดร่างตายทั้งค้อนในตากวดแต่เรานั่งเรานอนหรือเราอยู่สถานที่ใดตายเบา ฉัไม่รู้สึกจิตก็เบาไม่รู้ว่ า, นาหนักว่าหน่วงไม่รู้ว่าอยู่อย่างไรไปอย่างไรมีแต่ความการเลี่ยงทังเลกแค่จะล่ำรวยเพื่อดีอย่างไรทา่านไม่มีความสนใจในเรื่องเหล่านั้นสในใจในเรื่องของตนคือจิตคือได้รับความสงบางียบ ขณะนั้นอยากจะให้สงบระงับอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่เท่าไรความสงบเป็นการเป็นเวลาเป็นชาเป็นเสมอเคยทำได้บางทีแต่ทำไม่ได้แต่ความเชื่อที่เราเคยไปทดสอบเข้ก็ไม่ถอดไม่ถยังดึงอยู่ในใจยังติดอยู่ในใจเสมอไปถึงทำไม่ไดาก็ท้อเสีย ทีเราทำแม้ในเพียงพอบริบูรณ์ถ้าเราเพียงพอบริบูรต์ารกระทำบันเพลนของเราคาวนั้นไม่มีใครที่มาทำให้หรือเอามาแสลบแลดทำตัวของเราเองทาไมมันเป็นไปได้เวลานี้มันทำไม่ได้มันขาดอะไรจะต้องสืบสอบทีนี่พี่จเจริญเนยและความเชื่อการที่มันเป็นไม่เคเลอจาศีดจ่าใจของตวเกิดนั้น ข่านจึงหอาจระศัทธาเพื่ปรัท้าที่เชื่ออย่างแน่นนะฟ้าให้ม่มีรั ม, มีเวลาที่จะถอดขอนออกมาจากความเชื่อของตนได้ถึงใครจะว า, าศาสนาเสียมศาสนาเสียมักคนนี้ทานม่มีทำดีในเดีดีทชั่อในเดชั่อ ท, ท่านู้ทีนพิจนออเนีมรมจิใจปฏิบัติจิตใจเข้าไปถึงขัน้นหงดอย่างนั้น เขาจ ะ, าะผูดกันทั้งวันทั้งคืนต่างๆท่านก็ไม่ยามเชื่อไม่ว่าจังแทะมนุษย์ธรร ม, มดาแน่เทวด า, ายินชมจะมาบอกว่าเรื่องนี้ขบาขบนับขาดผลเพราะเาดดะปะเ็นเวรานี่พระพุทธเจ้าปริญญาแนนแล้วนับผลหมดไปหายไปไม่มีอะไรจะเหลืออยู่ จะไปพูดปฏิบัติอย่างไรย่อมอดเย็นม่ไปเขาจะพูดแไร่ท่านผู้สีสงบร่งับดับที่เหลวปัญหาลงไปได้สวียนารเสวีเวลาย่อมไม่เชื่อเพราะเขาได้ร่งับดับลงไปไม่เห็นผลไปจากสิ่วใทางแหงนขนเงียบเย็นจังเลี่ยงการไปพูดปฏิบัติความสงบสงบของจิตของใจย่อมไม่ากฏอันนี้ผู้ไปพูดปฏิบัติ ขันตาติดอยู่เป็นการเป็นสมัยอยู่หรือคือทำการจินจีนจังจังต้ น, นยอดต้นนานจนเป็นดาสีทำได้ทุกการทุกเวลาในว่าการใดสมัยใดเข้าได้ออกได้ในเรื่องความสงบสงบของใจเหมือนกันกับเรามีบ้านอยู่เรือนนอนจะเข้าไปพักผ่อนเวลาใดเข้าไปได้ นี่เชื่อใจสันนิษฐานของจิตของใจการที่จะสันนิษฐานได้อย่างนั้นก็เพราะอาศัยการจับจุดจับจุดบัตในหยุดไม่ยอมชาที่มันขอบมันคล้องหรือมันไ ม, ม่ลงไม่รวมเราก็ถึงสันเห น, นียวนึกคิดแค่ว่าเราทํ า, ย, ายังไม่ถึงยังไม่พอต่อเรื่องของมันเพราะเรื่องที่มันไม่ลงไม่รวมไม่ใช่คนอื่นหยุดยกความดีสี่เรา เคยประสบก็เห็นอ่านี้จากตัวของเราเมื่อมันลงไม่รวมกับในใจคนอื่นแบกแถมหรือหอดชื่อยมาแห้มันเกขึ้นเกิดขึ้นจากตามแต่เพืปฏิบัติของเราตั้งแต่เมื่อเรารู้สาเหตุอย่างนั้นการแต่เพืปฏิบัติของเราจึงเป็นของสาคัญมันจะมองจะรวมก็เป็นเรื่องของมันมันจะไม่มองไม่รวมก็เป็นเรื่องของมันแต่แค่สำคัญเกิดที่จะทำบําเพ็ญของเราให้ ตั้งหน้าตัางตาอะไราหนดจริงๆริงจังจังความจริงจะไม่เห็นผลจริงดมเป็นของไม่มีเพราะวาวทำจริงในสิ่งใดจริงนั <yan> in <dopamine. mumbles S 2> <ilo> ้นจะต้องลดเรล่วงไปได้การนม่ทำจริงจะยากได้ของจริงจะย้อนได้ไม่ได้เพราะเกยิเหมาสมกับผลเกียตนั้นพวกเราทุกท่านที่เข้ามา สำถิ่นไทยวันเนรอบรมกายญาจารละแน่ใจข้างตนในวันเส้นนี้วางภาษากันาคเรียกว่าวันอุโบสถคือวันเข้ามาสงบความสงบของเราจะสงบได้ก่ออาศัยวามตั้งใจกาหนดจดต่อต่อบทธรรมหรือจากที่นที่แจเนอร์เอายะร่างกายของเราต้องแต่ผมขวนเล็ดฟันเข้าไปจนถึง หนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนทุกส่วนให้กระแสจิตจิตตามคิดนึกอยู่ในอายุรยาอ่างใจของเราไม่ให้ตรงไปสู่เรียงนอกหาเปาพิจารณาขึ้นพิจารณาลงส่งใจกำหนดอนุมาณเรียงขมขวนและสันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนในร่างกายของเราใเนื่อนอนลงไปใจที่ไม่เดินไปสังคม เกี่ยวข้องกับเรื่องของภายนอกถึงแม้ว่ายังไม่สงบ ก, ก็จะได้รับความสุขความสบายเพราะไม่ไดไปก็อป่วยอารมณ์อันอื่มาเกี่ยวข้องกับจิต ก, กับใจเ่ตุนั้นการที่จะสงบได้ก็เพราะอาศัยเราตั้งใจการตั้งใจซึงเป็นบาดฐานสำคัญที่พวกเราทุกท่านจะต้อง คุณี่กน่ะเราเข้ามาจากเคยสถานบ้านเรือนเราสละความสุขของเราเคยกินข้าวตอนข่ำตอนเย็นเราก็ไม่ดีอยู่ได้กินเราเสียสต่อเข้ามารักษาศีลแต่หรือเราเคย่อยนอนสถานที่ถุขสบายมีผูกผ้าบหมอ น, นใส่เราก็มาในวัดเวลานอนเตียงนอนกระดานเฮ ผูกเพราะอย่างอยู่บ้านของเราไม่มีแต่ถึงกระนั้นเราก็ยินดี